ช่วงนี้เป็นช่วงพระนักศึกษามหิดนเข้ามาบวชตั้งแต่วันที่10มีนาแต่ว่าก่อนที่จะบวชเข้ามาอยู่วัดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาบวชเมื่อวันที่10มีนาคงจะลาสิกขาวันที่21เมษายนทั้งหมดมีอยู่13มแล้ก็มีพระนว ก, กะบวชสมทบก็้วยวันนั้น เป็น18แต่ออกไปไปอยู่ที่วัดอื่นแล้วก็ลาสิกขาไปอีกเป็นสองแล้วก็เข้ามาอีกสองอีกเป็นหมอมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมาบวช เ, เดี๋ยวนี้ดูดูพระในวัดของเรารือวที่พวกเราเห็นตามปกติพระในวัดของหลวงพ่อประมาณ 18-19 องค์แต่เดี๋ยวนี้พระทั้งหมด40บม ทั้งพระทั้งเนรพระ38เนิบแนรสองสี่สิบองค์แต่ก็คงไม่มาฉันครบกันบางทีก็บางองค์ก็อดอาหารไม่มาฉันอาหารทดลองในการอดอย่างพระนว ก, กะก็เหมือนกันหนะลวงพ่อให้อดหมดแต่หลวงพ่อไม่ได้บังคับนะเป็นผู้เรียกว่าชี้นำบอกแนะแนวทางพราหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาอย่างไรหลวงพ่อก็เอาอย่างนั้นเพาเป็นอาจารย์สอนเหมือนกัน เราเคยทำมาอย่างไงลูกศิษย์ที่มาบวชก็หลวงพอ่อหลวงพ่อก็ต้องสอนต้องบอกทําอย่างนั้นดูนะทาอย่างนี้ดูนะหลวงพ่อบอกเลยบอกว่าถ้าองค์ใดก็ตามมาอยู่วัดป่านาคําน้อยบวชเข้ามาแล้วไม่ได้อดอาหารแปลว่าไม่ได้ผ่านวัดป่านาคําน้อยนั่นทําไมหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อว่าการอดอาหารเป็นการอดทนอย่างหนึ่งสาหรับผู้ที่เข้ามาบวช อย่างพระนิสิตนักศึกษาก็เหมือนกันจะต้องเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะต้องเป็นหมอความว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าชีวิตประจำวันของเราจะราบรื่นทุกอย่างบางทีเราขับรถขับปลาไปหรือว่าไปรถเสียบังบางทีเราไมา่ได้ทานอาหารก็เกิดอารมโมโหโทโศขึ้นได้ง่ายเพราะเราไม่เคยอดอาหารเลยบางทีเราเป็นหมอเข้าห้องผ่าตัด กำลังผ่าตัดมันไม่เสร็จเราก็ยังไม่ได้ทานอาหารในช่วงนั้นอาจจะเป็นน้ําดองน้ําดื่มไม่เหมือนทานอาหารแต่ถ้าว่าเราไม่เคยอดอาหารจะเลยอารมณ์ของเราก็เสียเราหุดเหงิ่ฉุนเฉียวเพราะไม่ได้ทานอาหารแต่ถ้าเราเข้ามาบวชเคยอดอาหารสองสามวันสีห้าวันเอ้ยสมัยเราบวชเราเคยอดอาหารตั้งหลายวันอดไม่ฉันไม่ทานอาหาร ผิดเวลาเพียงมือเดียวไม่เป็นไรอันนี้นะความอดทนก็เกิดขึ้นแล้วในตัวของคนคนนั้นท่านผู้นั้นเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเป็นประโยชน์สาหรับคนคนนั้นท่านผู้นั้นควรจะอดอาหารเป็นการทดลองเป็นการทดสอบไม่เป็นไรหลวงพ่อเคยอดมาแล้วถ้าว่าคนไม่เคยอดอาหารอารมณ์เสียนะอารมณ์เสียโมโหโ ท, โทงโศขึ้นง่าย พวกเราเคยได้ยินไหมนิทาน่องเขาน้อยข่าแม่ตายเยอะโศทรกันลักษณะอย่างนี้นะคือขาดความอดทนเพราะนั้นการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาในลุมพ่อจึงว่าทดลองอดดูนะจะได้รู้การหิวนเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เห็นคนอดหิวเราก็จะได้ควักเงินให้เขาได้ไง่ายๆเออบันทีวันทารุนจริงๆนะวะเราก็จะได้รู้นะ เราเได้มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ชาติเพราะการอดอาหารหลวงพ่อมีประโยชน์หลายทางหลายด้านผู้เข้ามาศึกษาอย่างเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเนี่นะเพราะนั้นท่านพระนิสิตนักศึกษาตลอดถึงพาคเก่าพระใหม่หนะลวงพ่อจะให้อดทดลองดู แต่ไม่ได้อยากไปตั้งคําสัตย์นะในการอดอาหารข้าพเจ้าจทย์อดอาหารเ็วัน15วันสีหวันอย่าไปอดเพราะตั้งความสัตย์นั้นบางทีมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจมันจะเสียความรู้สึกเวลาเราอดไปใจของเราปุ่มฟุ้งซ่านมันเอาไม่อยู่นะครัเพราะมันใจมันวิวแต่ถ้าว่าเรามีสติดีนะการอดอาหารมีประโยชน์มากเวลาเราอดอาหารความง่วงเหงาหง่อ น, อน จะไม่ค่อยมีในขณะที่อดอาหารเพราะว่าอาหารไม่มีในท้องเมื่อไม่มีอาหารในท้องความง่วงก็ไม่ทับถมการภาวานาจิตของเราก็ดีสติของเราก็ดีเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายองค์หลวงปู่หลวงตาต่างๆท่านเรียกว่าให้ผู้ที่จะภาวานาต้องอดอดนอนผ่อนอาหารอันนี้เป็นประเพณีของพระกรรมฐาน เนี่ยพระกรรมฐานไม่ใช่ว่าเป็นพระที่อุดมสมบูรณ์นะให้รู้จักว่าชีวิตของพระกรรมฐานเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความกันดานหรือแล่นแค้นอยู่ด้วยความโอดจากๆนากนะั้นในปัจจัย4อยู่แบบสันโดดอยู่แบบอึดอัดจากๆจักๆนะแต่ทำรรมาพาคปฏิบัติในจิตใจแล้วพยายามให้เข้มงวดกวดขันในการเป็นอยู่ของตนเอง อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราที่บวชเข้ามาสุดท้ายภายหลังก็ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแมค่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติท่านเห็นผลมาแล้วท่านจึงแนะนำพวกเราสาวุสิตทั้งหลายให้เดินตามไม่มีทางอื่นนะที่จะทำจิตใจให้ร่มเยยนเป็นฉุกตามทำนองคลองทมตามแนวแถวของพระต้องเดินมาสายนี้ที่ท่านปฏิบัติมาท่านก็ แนะนำสั่งสอนผ่านมาได้สองวันวันนี้เป็นวันที่15เมษา50นวันที่13เมษาเป็นวันปีใหม่ของไทยเป็นวันสงกรานแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหยุดนานถึงวันที่17ทําทำให้พี่น้องประชาชนมีเวลาว่างผู้ที่จะไปเที่ยวเตรก็ไปตามอัธยาสัย ผู้ที่สนใจวัดว า, าศาสนาก็าไปกราบครูบาอาจารย์ตามวัดว า, าศาสนาแต่เมื่อวานก็รู้สึกว่ามีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะที่เข้ามาวัดหลวงพ่อมีผู้สนใจในทางวัดว า, าศาสนาหลวงพ่อว่าในเมื่อมีโอกาสการเที่ยวการสนุกสนานก็ควรจะมีนะเป็นการทัศนศึกษา แต่พร้อมกันก็จะลืมวัดบาศศาสนาเหมือนกันที่เข้ามาสู่วัดวาศศาสนาก็เป็นการอบรมทางด้านจิตใจถ้าเรามีแต่เที่ยวตเตลิดเปิดเปิงสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาผลที่จะสะท้อนย้อนกลับมาก็มีแต่ความทุกข์วิตกกงังวลแต่ถ้าว่าเราเข้ามาศึกษาธรรมะกับพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินธรรมะท่านพูดอะไรให้ฟังบ้างเราก็จะได้สานึกสำเนีด ว่าการกระทําของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านๆมาเป็นยังไงตั้งแต่วันปีที่แล้วตั้งแต่เมษาปีที่แล้วมาถึงเมษาปีนี้ความประพฤติของเราการกระทําของเราคําพูดของเราที่มันจะกระทบกระเทือนต่อผู้อยู่ใกล้ชิดหรือกระทบกระเทือนต่อวงการต่างๆมีอะไรบ้างการกระทําของเราการพูดของเรา ถา่าเราได้มาศึกษาในแนวแถวในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอปีหนึ่งอย่างที่ผ่านมาเราได้คิดเป็นมิจฉาทิฐิทางจิตใจมีอะไรบ้างการพูดของเราที่ออกนอกลู่นอกทางทําให้พ่อแม่พี่น้องวงศสาคณะญาติไม่สบายอกไม่สบายใจทําให้ ว่าเหล่านั้นทุกเพราะคําพูดของเรามีอะไรบ้างเมื่อเราแสดงออกไปแล้วการกระทําของเรามีการเคี่ยนตีบ้างมีการแสดงอากับกิริยาต่อผู้ที่อยู่ใกล้ของเรามีอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องเราก็จะได้ตรวจตราดูตนเองเมื่อตรวจตราดูแล้วปีต่อไปตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คราวนี้เป็นต้นไปในปี2550เนี่ยเราจะไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้น เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเข้ามาอีกเราจะพยายามจะไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกนะีสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราตรวจตราดูว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อเรากินเล่าแล้วพอเมาเล่าเข้าไปแล้วเราไปนอนให้หมาเลียปากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ปีนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกมันก็ต้องใครๆว่ามีความจริงกับตนเองพอให้มองย้อนหลัง ถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ได้มองย้อนหลังอย่างนั้นถึงกี่ปีกี่เดือนมากมายขนาดไหนมันก็ผ่านผ่า น, ผ, านผ่านไปปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาเราก็ไม่ได้อะไรกับประสบการณ์ในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่พูดมาทางนีง้ทางนั้นให้พวกเราตรวจตราตรวจตราดูพวกเราทุกๆคนนั่นะ ตั้งแต่หลวงพ่อนเป็นต้นไปหลวงพ่อก็จะตรวจดูหลวงพ่อเหมือนกันการดําเนินการที่ผ่านมาเป็นยังไงวัดวาศาสนาลูกศิษย์ลูกหาที่มาเกี่ยวข้องพระเดชที่มาเกี่ยวข้องเป็นยังไงการคิดการพูดการกระทําของเราเป็นยังไงหลวงพ่อก็จะตรวจตราดูหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้เดชได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อก็อยากจะให้พวกเราตรวจตราดูตนเองเหมือนกัน ในครอบครัวของเราเป็นยังไงพ่อแม่ลูกที่ไม่เข้าใจกันเพราะอะไรเพราะพ่ อ, พอแม่กินเหล้าเมายาใช่ไหมพ่อบ้านเป็นยังไงแม่บ้านเป็นยังไงทําไมจึงไม่เข้าใจกันลูกเป็นยังไงจึงไม่เข้าใจกันให้พวกเราตรวจตราดูตนเองจากนั้นก็หันคุณงามความดีเข้าหากันหันหน้าขอหากันปรึกษาปรัรบกันยอมสารภาพผิดที่ได้กระทำไปแล้วที่มันไม่ถูกต้อง ถ้าว่าพวกเราทุกๆคนเห็นความไม่ดีของตนเองแล้วต่างคนก็ต่างตรวจตาดูความไม่ดีของตนเองจากนั้นก็ปรับปรุงแต่คุณงามความดีเข้าหากันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวหลวงพ่อว่านะแต่ถ้าว่าดันทุลังใครดันทุลังเราข้าไม่ยอมใครข่าในวันดีที่สุดแล้วแต่คนอื่นรับไม่ได้อย่างนี้จะเป็นยังไง ความเดือดร้อนวุ่นวายก็ไม่ได้เกิดจากที่อื่นเกิดอยู่ในครอบครัวของพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นสงกรานต์ปีนี้ปีใหม่ของไทยในครั้งนี้นะหลวงพ่อจะจะฝากความคิดไว้กับศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะนะให้ตัวตาดูตนเองพร้อมกันก็จะไปลืมศีลและธรรมนะศีลและธรรมประจําใจศีลและธรรมมีหลายขั้นตอนอันนั้นกัที่ที่พูดมาน่ก็คือศีลเหมือนกัน ศีลคือการอยู่ร่วมกันให้มีกฎมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันจัดว่าเป็นหมวดศีลแต่ศีลภายในเข้ามาอีกก็คือรักษากายวาจาอของเราให้เรียบร้อยอย่างศีลท่า น, นี่แหล ะ, ะควรจะมีสําหรับศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจ้าแล้วย้ําอีกเรื่องศีลท่าคืออย่าไปฆ่าเขาถ้าเรารักชีวิตของเราเราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นเขาถ้าเรารัก สมบัติของเราเราก็ไม่คิดจะไปแข่งแย่งเอาสมบัติของคนอื่นเขาถ้าเราลูกรักลูกรักหลานของเราลักลูกรักเมียของเราเราก็ไม่ควรจะไปละลาบล่วงสิทธิ์ของเขาถ้าเราเกลียดในคนโกหกตอแหลเราก็จะไปคิดโกหกตอแหลเขาเรื่องสุราก็เหมือนกันถ้าดื่มสุราเข้าไปแ ล, ล้วหลืมนิดหน่อยไม่เป็นไรคําว่าหน่อยใครเป็นผู้กําหนดหรือว่า บอกว่านี่คือนิดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่มีใครพูดพอดื่มเข้าไปแล้วมันถลําเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพ่อดื่มเข้าไปแล้วกับมึนเมาความมึนเมาคือขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ทําให้ตัวเองเสียคู่เสียคนไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นทางงดได้ดีที่สุดหลวงพ่อว่านะาเรื่องสุราถ้าว่าเรากินดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติแล้วเสียการเสียงาน บางทีเสียพ่อเสียแม่เสียบงสาคานายาตที่พวกเราเห็นตามสื่อต่างๆเพอเหตุไรคนนี้ทำไมเขยจึงทำอย่างนั้นผลปรีโยข้าพ่อข่าแม่ก็มีแต่ตีอะไรก็มีอะไรที่เราเห็นพอเขาดื่มสุราเขาเมาสุราเพราะขาดสติอันนี้เราจะเห็นบ่อยๆเกือบทุวกวันเพราะนั้น ถ้าจะว่าไปแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าการทำอย่างนั้นไม่เป็นผลดีสำหรับเราเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้ฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลวงพ่อวันน่าจะตัวของเราน่าจะมีเบลกนะห้ามเลยที่สิ่งที่มันไม่ดีเบลต์ซะห้ามซะอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีพยายามทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อทำสิ่งที่ดีแล้ว ความสงบพร่มเย็นเป็นถุกเกิดขึ้นกับเราเป็นอันดับแรกต่อไปล้วผู้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราวงสาคณะญาติของเราก็ร่มเย็นเป็นสุกไปด้วยนะเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมอย่าลืมนะนะแล้วก็บอกกล่าวไปอีกว่าลึกลงไปกว่านั้นอีกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ไม่ได้นานไม่รู้จะล้มหายตายจากไปวันไหนอันนี้เราคิดไว้อยู่เสมอ ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพรา ะ, ะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแต่บางคนก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะนึกถึงเลยแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านว่าการที่ไปนึกไม่คิดถึงความตายเเลยไม่ถูกต้องอันนี้คือเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกควรจะคิดเอาไว้ เพราะว่าถ้าว่ามันถึงวันนั้นมาเราจะไม่สะทกไม่สถานไม่หวั่นไหวเนื่อเพราะเราได้คิดล่วงหน้าไว้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะเราไม่เคยคิดเลยจะทําให้จิตใจของเราวิตกกังวลเออเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างมากในเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงเพราะนั้นให้ระลึกไว้ดีกว่าที่จะไม่นึกเสียเลยนี่ยอันนี้ของวันนี้เป็นวันสงกราน หลวงพ่อก็ได้กล่าวย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ตรวจตราดูตนเองวันคืนเดือนปีผ่านมาอายุของพวกเราเท่าไหร่ปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทําอะไรไว้บ้างปีก่อนๆพวกเราได้ทําอะไรไว้บ้างที่มันมันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะปีต่อไปก็อย่าให้มันเกิดประวัติศาสตร์จารอยเข้ามาอีก ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมถ้าทุกคนลูกเตา้าเหลาหลานผีน้องพ่อแม่ต่างคนต่างตรวจตาดูตนเองอยู่เสมอความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเรานะเป็นอันดับแรกต่อไปก็ประเทศชาติบ้านเมืองะอะไรท่ต่อไปนะต่อไปก็โลกโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะ อาต่อไปรับพรนะเ น, นีนะอนุโมทนาพวกเราได้มาทำบุญในวันนี้ก็ให้ตัง้งจิตแน่วแน่นะอุทิส่วนกุศลถึงพ่อแม่ผูยาตาิยายวงศาคนาญาติาจาย์มิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรนะ